วัดสมัยก่อนนะกยุคนี้มันไม่เหมือนกันละสมัยโบราณนะวัดมีบทบาทมากมําทแทบทุกอย่างเลยวัดสมัยโบราณนะเป็นโรงเรียนเรียนหนังสือเรียนที่วัดพระสอนเป็นโรงพยาบาลไม่สบายก็ไปเข้าวัดพระรักษาเป็นโรงเรียนในร้อยจปลอ ฝึกก บ, บีกระ บ, บองก็ฝึกกันในวัดเป็นกรมศิลปากรสอนงานช่างสิบหมู่สอนกันอยู่ในวัดเนเป็นสถานสังคมสงเคราะห์คนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยไม่มีใครดูแลมาอยู่วัดเป็นศ า, าลทะเลาะกันมาสาบาน ต่อหน้าพระให้ <c oughs> พระตัดสิน <c oughs> เป็นดิสโกเทก <c oughs> มีลิเกมีการละเล่นในวัดเป็นทุกอย่างเลยเป็นสนามกีฬา เ, <c oughs> เด็กๆก็ามาวิ่งเล่นในวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมีการแยกหน้าที่ แบ่งหน้าที่กันทำํำงานสังคมสงเคราะห์กับเรื่องของกรมประชาสงเคราะห์ใช่ไหมกรมสินปกกรณ์ต้องไปดูแลศิลปะอะไรตอนน่อไหนกระทรวงวัฒนธรรมมีกรมทหารแยกออกไปเรียนเองฝึกกันเองมีกระทรวงสาธารณสุขแยกออกไปจะดูให้ดีนะนแยกออกจากวัดแล้ว วัดเดี๋นี้แทบจะไม่เหลืออะไรวัดแทบจะไม่เหลืออะไรเลยคนใส่บาตรก็มีนิดเดียวพระจะเลี้ยงตัวเองให้อิ่มอยู่แต่และ ว, วันนะไม่ใช่ง่ายเนะหลือคนแก่ใส่บาตรอยู่ไม่กี่คนหรอกถ้าคนรุ่นนี้ตายแล้วใครจะใส่บาตรยังนึกไม่ออกเลยเงินอย่ากจะให้วัดเลี้ยงมาอยู่กันเยอะๆอะไรนะ วัดเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยถึงขนาดนั้นงั้สังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยิ่งไปดูวัดประเทศอื่นนยิ่งไปกันใหญ่อย่างเมืองจีนวัดก็เหมือนบริษัททำมาหากินเองนะเสียภาษีเสียอะไรปกติเลยญี่ปุ่นวัดอยู่กับการตั้งสุสาน คนญี่ปุ่นเราไม่มีธรรมเนียมว่าเลี้ยงพ่อแม่อย่างถ้าเรามีลูกเราเป็นคนญี่ปุ่นนะเลี้ยงลูกไปลูกจบปริญญาแยกออกไปแล้วแล้วไม่กลับมาเลี้ยงพ่อแม่อีกละพ่อแม่แก่เขาอยู่กันสองคนตายยายตายไปคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งถ้าไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่สวนสาธารณะนอนในกล่องกระดาษ หนาวจัดๆเขาตายไปเป็นอย่างนั้นนะสังคมมันเปลี่ยนแต่ว่าเขามีธรรมเนียมแปลกาตายแล้วเข้าไปเผานะจ้างบริษัทเผาเอากระดูไปเก็บวัดเนี่ยวัดได้ตัวประกันคิดค่าเช่าเก็บกระดูกนะตอนพ่อแม่เป็นๆมันไม่เลี้ยงนะตอนตายแล้วเงินเสียค่าเช่าให้ตั้งกระดูก ก็ แ, แปลกดิวัดเนี่ยอยู่ด้วยสุสานคล้ายๆมีตัวประกันมีไรายได้ค่าดูแลข้าวัดต้องเสียตังค์เก็บค่าผ่านประตูขายเครื่องรางของขลังเขาฉลาดมากนะคนญี่ปุ่นทําเครื่องรางของขลังของเราทําพระออกมาสักองค์หนึ่งนะอยู่เป็นร้อยรปีขายลำบากหน่อย ประตูมงคลของเขาเป็นกระดาษเป็นไม้เป็นอะไรย่างนี้นะเอาไปใช้ได้ชั่วคราวแนละ้วเขาบอกเสื่อมแล้วต้องไปซื้อใหม่นี่เป็นวิธีการเนี่ยวัดเป็นแบบนี้เมื่อมันอยู่ไม่ได้ไม่มีคนเลี้ยงวัดสังคมเราก็เปลี่ยนนะสังคมเราเปลี่ยนพระวัดหมดบทบาททางสังคมไปแล้ว คนไม่เลี้ยงวัดนะ่ะพระก็ต้องเลี้ยงตัวเองบางที่ก็ต้องทําวัตถุมงคลขายวัดไหนมีบุญนะมีพระพุทธรูปดังนี่ก็อยู่ได้รวยวัดจนๆนะอดเลยอยู่ก็ยากนี่พวกเราบางคนยังมักง่ายเอาพาระมาเพิ่มให้วัดเองว่าพระเมตตาพระต้องเมตตาเอาหมาเอาแมวเอาเลยตอนใดมาทิ้งวัดนะ คนที่ไม่ต้องการแล้วมันทิ้งวัดเองมันเป็นความเห็นแก่ตัวนะในขนานี้คือใครให้อภ า, าระของตัวเองมาโยนให้องค์กรซึ่งมันกำลังเสื่อมอย่างหลวงพ่อนะตั้งใจอย่างหนึงนะ่งไม่ได้คิดทีแ้วไม่ได้คิดตั้งวัดด้วยซ้ำไปจะทำที่เผยแพรธรรมะสอนกรรมาฐานทีนี้เส็จแล้ว ตอหลังดูว่าเป็นวัดซะก็ดีเราตายไปแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นสมบัติส่วนกลางไปไม่มีปัญหางานหลักของที่นี่คืองานเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่งานประชาสงเคราะห์นะแยกให้ออกความเมตตาของหลวงพ่อก็คือจัดสถานที่เนี่ยให้เหมาะให้ควรให้สะดวกกับการเรียนธรรมะ ความเมตตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางวัดนะั้นคนเอาหมาไปให้วัดแมววัดเต้มไปหมดเลยพระไม่มีข้าวจะเลี้ยงนะพระเองก็แย่อยู่แล้วหมาไม่สบา ย, ยาพระไปหามหมอค่าใช้ใจ่ายซึ่งพระก็ไม่ไหวบางวัดเขาก็มีวัตถุมงคลขายของเราไม่มี มีแต่นังสือแจกแจกแล้วแจกอีกซีดีกีแผ่นกีแผ่นแจกหมดเลยแต่ทุกแผ่นมันก็เรื่องเดิมหละงานหลักของแต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางที่นะก็พยายามมาชวนหลวงพ่อไปช่วยสร้างก่อสร้างมีโปรเจกต์สร้างโน้นผันล้านสร้างนี้ หลายพันล้านสร้างนี้สองร้อยสามร้อยล้านมาบอกเรา<ม>บอกงอ น, นุโมทนาของเราสร้างโบสถ์เรายังไม่ได้ไปเรียละัยที่ไหนเลยชีย้ให้เขดูไม่เคยเรียอะไรเลยคนเอาเงินมาหยอดตู้ให้ก็ไปทาทาไปเรื่อยๆไม่มีเงินก็หยุดไปมีเงินก็ทำไปคิดแค่นี้เองของข้างนอกไม่สำคัญหรอกงานหลักที่นี่คือสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุ ไปเห็นวัดต่างประเทศนะที่ศาสนาพุทธมันหมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยวัดน่นถูกผู้ยีผู้ยำทำอะไรก็ได้นะมันไม่มีชาวพุทธสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทานะั้นคือสร้างชาวพุทธนะงานอื่นไม่เอาใจแข็งมากเลยไม่ชวนไปก่อสร้างอะไรนะี่ไม่เอาเลยที่นี่ยากจนยังไงก็มาเรียนได้นะ ไม่ได้ต้องร่ำรวยอะไรแต่คนชอบวาดภาพนะว่าลูกศิษย์วัดนี่รวยพอเห็นรถยนต์จอดเยอะรถยนต์เขาผ่อนเข้ามายังผ่อนไม่หมดเลยส่วนใหญ่เห็นคนเยอะๆไม่ใช่รวยนะลูกศิษย์หลวงพ่ออดมือกินมือก็มนะีที่มีกินเหลือเฟือมีไม่มากหรอกแต่ทำไม เราเสมอพักกันมาเรียนนั่งเสือเหมือนกันอยากถามธรรมะก็ยกมือได้ถามเท่าเ่ากันไม่มีสิทธิทพิเศษนะตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งใจทำงานสิ่งที่หลวงพ่อให้นะมีความสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นสิ่งที่หลวงพ่อให้พวกเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในอนาคตเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ของอื่นๆเล็กน้อยเหลือเกินเป็นของโชคราวทั้งหมดเลยอย่าถ้าหลวงพ่อไปทำงานสังคมสงเคราะห์นะวันวันไม่ได้สอนกรรมฐานคนได้ประโยชน์อยู่กลุ่มเดียวได้สังคมสงเคราะห์อยู่กลุ่มนึ่งไม่มีการสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานนะนะั่นเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เลยประโยชน์ในปัจจุบัน มาได้เรียนได้ฟังแล้วนะมาดูกายมาดูใจของเราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเป็นประโยชน์ที่เห็นเห็นเลยประโยชน์ในเวลาต่อต่อไปตอนเราแก่เราจะไม่แก่แบบคนทั่วๆไปแก่ตายไปแล้วนะเราจะไปพบภูมิที่ดีกว่าเขาประโยชน์สูงสุดได้มากผลนิพพาน สิ่งเหลนี้ยิ่งใหญ่กว่ากันเนยอะยิ่งใหญ่กว่ากันมากงั้นเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพยายามเป็นธรรมมาทายาทเป็นทายาทในธรรมเป็นของสําคัญอย่าเป็นอามิสตาญาต์หวังอย่างโน้นหวังอย่างนี้นะอันนั้นเล็กของเล็กน้อยของใหญ่ไว้ก่อนมันคนบ้านะ บ้ามาแต่ไหนก็ไม่รู้นะจะมาฝากวัดเอาคนบ้ามาฝากวัดพระจะไปภาวนายัางไงมันๆันยุ่งกับคนบ้าหรือภายในวัด น, นี้เต็มไปด้วยหมาขี้เลื้อนนะ่ะพวกเราจะพำนมาเรียนธรรมะได้สะดวกไหมจะไปตักข้าวกินหมาขี้เลื้อนขึ้นมาสีขาเราเนี่ยนะหมาอยู่ๆไม่เกิดเองหรอคกควเข้ามาทิ้งองีก เอาภารามาโยนแล้วก็ส่วนรวมเสียหายเห็นแก่ตัวนะเราจะมาบอกว่าวัดเห็นแก่ตัววัดใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยพวกเราพอวนาคนไหนเห็นว่าตัวเองดีขึ้นบ้างยกมือให้ดูซิที่มีพัฒนาการดูตัวเองเลยวัดตัวเองดูซิใครไม่ดีขึ้นเอางี้ใครไม่ดีขึ้ น, นยกมือให้ดูหน่อยใครเลวลงยกมือซิ ถ้าเร็วลงหลวงพ่อต้องดูแลเป็นพิเศษนะถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องให้คนอื่นดูแลไปเรียนที่อื่นนะเรียนแล้วต้องดีขึ้นเสมอตัวก็ถือว่าแย่แล้วทำไมแย่เสมอตัวอุตส่าห์นั่งรถมาเรียนตั้งไกลเสียค่าน้ำมันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเสมอตัวถือว่าแยนะ่ชีวิตต้องดีขึ้นถ้าเราได้ธรรมะสมบัธรรมะภาวนาเข้า มีสติสำคัญที่สุดเลยรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการทำลายสติตัวเองคนที่ทำลายสติตัวเองไม่ฉลาดเลยอย่าไปเบีดเ บ, ดเบียนตัวเองนะเล่นเล่นเลย เ, เ, เ, เล่นให้น้อยๆให้มันมีสติให้มากๆพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปศีลสมาธิปัญญามันก็จะงอกงามขึ้น เรามีสติอยู่นะพอกิเลสเกิดเรารู้ทันนะศีลเกิดเลยเรามีสติอยู่พอใจลอยไปเรารู้ทันว่าใจไหลไปสมาธิเกิดเลยมีสติอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวมีความเปลี่นลยนแปลงเกิดขึ้นรู้ทันนะเห็นรูปนามกายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปัญญาก็เกิดขึ้นขาดสติก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญามีสติก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญา งันพยายามมีสติไว้ทุกทุกอิริยาบถครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อบางคนเนี่ยสอนกันแปลกๆบอกเข้าห้องน้ำอย่าปฏิบัติน้ำบาปโอ้เกิดตา ย, ตายในซ่วมอ่ะก็แย่เลยการปฏิบัติไม่เป็นวรู้สึกตัวดูกายดูใจมันทำงานดูเล่นๆดูมัสบายๆดูสบายใจดูบ่อยๆ แล้วมันพัฒนาเองเธอบอกว่าวันนี้แบ่งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนี่แหละปฏิบัติเวลาที่เหลือจะไปเล่นไม่ได้กินหรอกปฏิบัติเราทําตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลามีธุระทํางานที่ต้องคิดนั้นไม่ได้ปฏิบัติเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติไปคุยกับคนก็เป็นเวลาปฏิบัติคุยกับเพื่อนไม่คุยก็ไม่ได้เสียมารยาท คุยกัมันคุยแล้วขำรู้ว่าขำนี่ปฏิบัติคุยแล้วก็นึกในใจเมื่อไหร่เองจะไปทันทนะีเห็นใจที่มีโทสะนะรู้ว่ามีโทสะนี่ก็ปฏิบัติจะกินข้าวนะคำนี้ชอบคำนี้ไม่ชอบชอบมากชอบน้อยนี่ก็ปฏิบัติการปฏิบัติมันอยู่ในชีวิตของเราจริ ง, รงๆนะไม่มีเวน้นวรกนะไม่ใช่ตอนนี้เลิกปฏิบัติ Leonardo. เลิศเพลินห mm. ลงโลกไป ดูหนังก็ปฏิบัติได้แต่อย่าเอาตัวนี้เป็นข้ออ้างนะส่วนมากปฏิบัติไม่ค่อยได้มันได้แวบๆบแบบเดี๋ยวก็เผลอละชีวิตนี้สั้นนิดเดียวที่เราเห็นเห็นกันนี้ตายไปเยอะแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อตายไปเยอะแล้วส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยอายุน้อยกว่าหลวงพ่ออีกชีวิตนั้นสั้นนิดเดียว เอาไปนอนซะหนึ่งเลยสามละของชีวิตเอาไปเรียนหนังสือไปทำงานซะอีกเหลืออยู่นิดเดียวยังเอาไปพักผ่อนเที่ยวเล่นซะอีกหมดเลยไม่เหลือละเราถ้าชำนิชนานาในการปฏิบัตินะเราจะพักผ่อนด้วยการปฏิบัติวิธีพักผ่อนของนักปฏิบัติก็คือทำสมาธิทาสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไร เห็นกายเป็นหายใจไหเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจสบายมีความสุขนี่ก็ได้พักผ่อนละ้นั่งบริกรรมนั่งแผ่เมตตาไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมจิตรวมเข้าถึงอรูปฌานได้นะเจริญเมตตาไปเข้าอารูปได้ เนี่ยที่พักผ่อนของนักปฏิบัติฝึกเขานะตั้งใจเขาชีวิตนี้สั้นนิดเดียวไม่นานก็จะตายจากกันไปนะชาตินี้มีบุญได้ฟังธรรมะชาติหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้บางคนนะมันประมาทอย่างร้ายแรงเลยชอบมาทำบุญพิมพ์หนังสือกับซีดีกล่าวว่าเดี๋ยวชาติหน้านะนหนังสือกับซีดียังอยู่ ชาติที่เที่ยวก่อนเดี๋ยวชาติน่าจะมาฟังเกิดมันไปเกิดเป็นคนชาติอื่นนะมันจะฟังยังไงแค่นั้นก็เสร็จแล้วฟังแล้วก็ยังไม่ีดีอะไรว่าพูดอะไรก็ไม่รู้สักคำอย่างี้แย่ใหญ่ตอนนี้มีโอกาสภาวนานะมีโอกาสภาวนานรีบทําไว้ก่อนนี่คือความจำเป็นเร่งด่ว น, นเอาส่งกันบ้าน นมันการค่ะหลวงพ่ อ, อรู้สึกว่าใจมันไปอยู่ข้างนอกอะค่ะอย่างเช่นเวลาแบบฟังซีดีหลวงพ่อค่ะมันทําให้สงบก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกมันต้องเข้าไปมีอะไรให้ไปจับอยู่ข้างนอกอค่ะให้รู้เอานะใจออกนอกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของจิตทะส่งออกนอกแต่มันไม่มีสตินี่พ่อมันส่งออกนอกไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดช่วยให้รู้ เกิดยินดีให้รู้เกิดยินร้ายให้รู้การที่จิตออกไปกระทบอารมณ์นั้นนะด้านหนึ่งเหมือนไม่ดีแต่ความจริงดีเพราะการออกไปกระทบอารมณ์นั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะผัสสะเนี่ยทให้เกิดเวทนารู้สึกสุขทุกข์อาศัยเวทนาแล้กิเลเสก็แซรกได้เห็นสังขารปรุงได้เห็นจิตทางานได้จิตทางานคือพบ นั่นคือการเรียนกรรมฐานนั่นเองหลวงพ่อพุท ธ, ธสอนนะว่าการปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคิดก็ได้แต่มีสติก็จะเห็นนะใครยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดให้เป็นคนคิดใจเป็นคนคิดก็เห็นมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะงั้นอย่าไปกลัวจีดอกนอก จิตออกนอกแล้วมีสติก็คือกับปัญญาจิตไม่ยอมออกนอกเลยทรงตัวอยู่เฉยๆคือสมถ t คือสมา ธ, มาธนะิแต่ถ้าออกนอกแล้วไม่มีสติคือหลงนะงั้นการเจริญปัญญากับความหลงเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวถ้ามีสติตาที่จิตออกกระทบอารมณ์มีสติก็ได้ปัญญาจิตออกไปกระทบอารมณ์ไม่มีสติก็หลงนะ หลวง พ, พ่อพุธบอกว่าเผลอก็รู้อ่ะมันคาบเส้นกันนิดเดียวเองนมะ่นอย่าไปกลัวอะไรยังไงจิตเราต้องออกนอกแต่ออกนอกแล้วหลวงปู่ ด, ดูลสอนนี้นะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่มีสติก็เป็นสมุ ท, ทยัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติเป็นทุกข์ถนะ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะตามรู้ตามเห็นอยู่นั่นคือการเจริญมรรค ผลที่จิตออกไปข้างนอกแล้วมีสติอยู่นะจะเป็นนิโรธถ้าไม่ได้บอกว่าห้ามออกนอกบางคนบอกหลวงปู่เคยสอนผมมานะอย่าทรงจิตอ อ, ออกนอกก็แกออกนอกจะไม่รู้เรื่องอะไรแนะล้วหลวงปู่ออกนอกให้มัตั้งมั่นก่อนนะพอถึงขั้นจเจริญปัญญาอยู่ในอริยสัจแห่งจิตถ้าอ่านบทเต็มแนละ้วจะรู้เลยว่าท่านไม่ได้ห้ามคิด จิตส่งออกนอกก็ได้แต่มีสติแล้ท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพิ่มหวั่นไหวมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์คำ ว, ว่าพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์นี่เป็นบทสุดท้ายของอนิยาศาสตร์แห่งจิตที่พวกเราได้ยินมันท่อนแรกนะจิตสงออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัก ผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวเป็นสมุทยัยนะผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็ไม่มีสติอยู่ก็เพิ่มวันไหวเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกมีสติอยู่นะไม่ก็เพิ่มวันไหวเป็นการเจริญมัก ม, มีผลเป็นนิโรธ อันหนึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบลงท้ายมีคำว่าจบด้วยท่านเขียนในงานจริงจริ ง, ร ง, รงอา้อาวภาวนาอยู่ที่บ้านก็สติก็มีเกิดบ้างแล้วก็แยกกายใจได้เป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะฟุ้งซ่านนะครับอสอนไปเยอะแล้วนะรู้ปัญหาแล้วก็ไปแก้ ใจไม่ถึงฐานก็รู้เอาทำสบายๆ บ, บริกรรมไปก็ได้อะไรไปก็ไดนะ้หายใจก็ได้บริกรรมก็ได้แต่อย่าไปดึงจิตเข้ามาถ้าไปดึงเข้ามามันจะแน่นไม่ถูกนะให้ใจมีอารมณ์ที่สบายๆมาเป็นเหยื่อล่อนะพุโทโธพุโทโธไปอย่างสบายใจจิตเที่ยวสงบหานะยใจไปอย่างสบายใจจิตเที่ยวสงบจิตก็เข้าบ้าน ปะคะหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อหนูตื่นเต้นค่ะบางครั้งอะค่ะหนูหนูเคยเห็นกายตัวเองอะค่ะแต่บางครั้งหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูรู้ตรงนั้นอะหนูหนูรู้เพราะหนูคิดหรือว่าหนูรู้เพราะว่า ร, รู้รู้ด้วยตัวเองเฉยๆเอเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันรู้สิคิดมันไม่เป็นหรอกห<ะ>ลวงพ่อจะบอกความลับให้ข้อหนึ่งหูหูตั้งเลยนี่คือคำว่าความลับ <laughs> คนปกติอะนะที่กําลังสบายใ จ, ใจอยู่นะขันแยกอยู่แล้วที่ไม่เครียดอนะขันแยกอยู่แล้วนักปฏิบัติอนะไปรวบขันเข้ามาหรือคนซึ่งกิเลสกําลังครอบงําอยู่ไปรวบขันเข้ามาคนที่อยู่รู้ตัวอยู่สบายๆนะใจปกตินะขันมันแยกเพราะมันสบายๆนี่เองในภาวะที่ใจเป็นธรรมดานะี่ยนะขันมันแยกอยู่แล้ว แต่ว่าเราไปรวบเขาเข้ามาไปรวบเข้ามาทีหลังพอไปรวบเข้ามาแล้วกลายเป็นเราขึ้นมารวบเพราะความไม่รู้ก็มีรวบเพราะอยากเป็นนักปฏิบัติไปรวบเข้ามาก็มีค่อยฝึกเชิงกระทั่งวันหนึ่งก็กลับไปที่เดิมคือขันมันแยกอยู่แล้วตอนนั้นขันแยกไม่รู้ว่าขันแยกขันแสดงใจรักษอยู่แล้วไม่เห็นขันแสดงใจรักเพราะฉั้นโดยธรรมชาติเนี่ยขันมันแยกอยู่แล้วขันมันแสดงใจรักอยู่แล้ว ไม่เห็นเองต่างหากนะง่ายไม่ยากอะไรหรอกสังเกตใจอ่อย่าไปท้อใจนะอย่าไปท้อแท้ใจยากเหลือเกินอนะย่างเงี้ยนะจะยากอะไรรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรืย่ยเรืนะรู้ทันความรู้สึกจะยากอะไรโลบเราก็รู้จักโกรธหลงเราก็รู้จักนะ่านดูไปบ่อยๆทุกก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไ ป, แ, ไปแค่นั้นเองมักาหลวงพ่อครับ ผมก็ยังปฏิบัติอยู่ในรูปแบบอยู่ช่วงไหวพระสวดกลางคืนครับส่วนกลางวันเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยจะมีผัดสารุนแรงมากก็เลยบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยู่ตัด ใ, ใจก็จะหลงไปส่วนถ้ามีโอกาสกลางคืนเนี่ยก็จะมีโอกาสทั้งนี้หน่อยไม่เยอ ะ, อะครับกลางวันนะถ้ามีเวลาอย่างกินข้าวแล้วเหลือเวลาสักสิบนาทีเลยนะล้วก็พอนะ คล้ๆเราเบรกตัวเองเป็นช่วงๆถ้าเราตะลุมบอลตลอดเวลาที่ทำงานนี่ยาวนานไปใจมันจะเหนื่อยใจเหนื่อยใจเครียดมากนะอารมณ์จะร้ายนะอารมณ์ร้รายไปภาวนากลาคืนไม่ค่อยได้ผลลนะเพราะมันหมดแรงเงินพยายามซอยชีวิตเรามีเวลาหนะ้านที่อะไรเงี้ยค่อยๆทำไประหว่างเดินไปตรวจงานระหว่างนี้ก็ดูกปฏิบัติไป ระหว่างคีดเรียงลูกน้องมาตามันยังมาไม่ถึงระหว่านี้เราก็ดูไปอย่างเงี้ยเก็บเกเกเล็กๆนะจะได้เยอะเลยครับแล้วเราจะไม่ตะลุมบอลเาไม่ตะลุมบอลจะไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยกลางคืนเราภาวนาได้เยอะเพราะมีแรงเยอะครนะถ้ากลางวันตะลุมบอลทั้งวันนะ้ตกค่าหมดแรงแล้วภาวนาไม่ไหวครับกรนวัตสการหลวงพ่อครับมาวัดครั้งแรกครับ หลวงพก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมานานนะแล้วก็ปฏิบัติสเปสสะปะคือแล้วแต่ว่าฟังซีดีของหลวงพ่อไหนนะอย่างนั้นสเปสสะปะแน่เลยทีนี้ปัญหาผมคื อ, อ, อพยายามคือคือได้ยินท่านที่มาวัดแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบ ก็เข้าใจว่าปฏิบัติตามรูปแบบคือนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดูจิตในชีวิตประจำวัน mm hmm. ก็พยายามทำตามว่าทาตามที่เราคิดเองนะว่า mm hmm. คงจะเป็นอย่างนี้มันนะ้งครับปัญหาผมคือไอการนั่งสมาธิเนี่ยอนาปานสติเนี่ยก็ได้เรียนจากซีดีของพระอาจารย์หลายที่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว ควรจะเป็นแบบไหนแบบไหนก็ได้ให้มันมีสติถ้าเราเอาแบบที่ตอนนี้ผมผมเราถนัดทำนะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะรู้สึกตัวสบายๆกว้างๆอย่าอย่าบีบอย่าน้อมเข้าไปข้างในรู้สึกตัวสบายๆดูทั้งตัวมันหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปให้จิตหนีไปคิดให้รู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายู้ทันและเราจะได้สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาคือคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องไปดูลมหายใจใช่ไหมฮะแค่แค่ดูผู้ศรัทธาไม่ได้ไบอกให้ไปดูลมหายใจนะดูลมหายใจเป็นกสินนะอนาปนาสติเราบอกพิสูจนทั้งหลายให้เธอคูบันลงังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหนะ้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะ หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวกายเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยกายกับใจแยกออกจากกันหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครเป็นคนหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจเข้ายาวรู้มันทั้งตัวนี่แหละอย่าไปจ้องใส่หลมนะจ้องใส่หลบแล้วใจมันก็ม้วนเข้าไปข้างในั้างานฐานฐานของจิตก็ไม่จําเป็นใช่ไหมฮะจิตเนี่ยมันเไม่ต้องวังไว้ที่ฐาน อย่าไปจ้องใส่้ั่นเป็นสมถะอย่างเดียวเลยเป็นสมาธิที่ไม่ขึ้นปัญญาหรอกต่อไปมันเข้าฐานนะแต่ฐานนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ลมฐานนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฐานนี้อยู่ที่ตัวของมันเองจิตอยู่กับจิตไม่ใช่จิตไปอยู่ที่ท้องจิตไปอยู่ที่มือจิตไปอยู่ที่เท้านั่นคือคุกขังจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกจิตไม่ถึงฐานนะไม่ได้แปลว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ลมไม่ได้เหมือนกันนะ จิตไม่ถึงฐานคือจิตที่เคลื่อนไปอย่างเราไปรู้ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตไม่ถึงฐานนะแต่ว่ามันเป็นฐานลมนะอันนั้นไม่ใช่ฐานจิตคล้ายๆเอาลมมาเป็นที่บังคับจิตให้นิ่งนะได้สมถะขอส่งกันบ้านค่ะว่ามา ฟังซีดีหลวงพ่อมา11เดือนเมื่อสองเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อให้ฟังซีดีทุกวันหนูก็ไปฟังซีดีเกือบทุกวันแล้วในระหว่างวันหนูจะดูกายดูจิตแล้วพอกลับบ้านตอนกลางคืนหนูก็จะพยายามทำสมาธาิหลวงพ่อบอกให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวหนูก็จะเลยดูร่างกายหายใจใแต่พอดูไปแค่หนึ่งสองจิตก็ไหล ฟุ้งออกไปข้างนอกก็ไปดูจิตแล้วก็กลับมาดูร่างกายหายใจได้แบบเดียวแล้วก็จิตก็ไหลอีกแล้ว เ, ออเลยทําให้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สมถะเลยทําให้หนูรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งเลยทําให้หนูขี้เกียจทําสมถะเลยทําให้หนูคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่า <c oughs> หนูก็อย่าไปขี้เกียจสิหลวงปูดุลเคยสอนนะว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมท่านสอนประโยคนี้ไว้นะ หนูจำประโยคนี้ไว้ให้เดีย๋ยดูกายเพื่อให้เห็นจิตงั้นหนูเห็นร่างกายแห่งใจไปแต่ว่าจิตมันทําอะไรขึ้นมาเราจะรู้ทันมันการที่เรารู้ทันนะ้าจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวจะไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่มันก็จะกลับมาตั้งใหม่ต่อไปพอจิตมันชํานาญขึ้นนะะขยับตัวคลิกหนึ่งมันก็กลับมาตั้งแล้วมันตั้งได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งสมาธิมันส่งตัวเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเลยอันนี้จะเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญา มารที่ตัวนี้สําคัญมากจิตส่งออกนอกเรารู้ทันจะได้สมาธิที่หลวงพ่อสอนเลื่อยๆว่าถ้าเรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปจะได้สมาธินี่อยู่ๆเราจะไปห้ามจิตไม่ให้ไหลจะเครียดจะไม่ได้สมาธิจริงเพราะใจมันเครียดแต่ถ้าจิตไหลไปเรารู้เราจะสบายใจนะจะ ก, กลับมารู้สึกตัวถ้าไหลไปอีกรู้อีกสบายใจสบายใจแนละ้วจะได้สมาธิขึ้นมา แล้วหนูต้องไปฝึกสมถะเพิ่มไหมคะอันนี้ถ้าทําทอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นไม่ได้สมถะในตัวด้วยหนูไม่ได้ผิดปกติไม่ผิดถูกต้องแล้วหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลได้นนะ mm hmm. มีอยู่คราวหนึ่งไปส่งกันบ้านท่านครั้งที่สามที่ไปหาท่านเราเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยดูจิตอยู่แล้วจิตมันก็เคริมเลิมลงไป mm hmm. ท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อบอก ท่านบอกว่าผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่ทำไมหลวงปู่มาบอกว่าจิตไปเข้าสมาธิท่านบอกการดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะเพราะฉนั้นถ้าเรื่อไรหนูรู้ทานจิตที่ไหลไปนะสมาธิจะเกิดแต่มันเกิดชั่วขณะเดียวนะแวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่พอรู้มากๆมนาะสมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งนะมันจะเกิดขึ้นนะถึงระดับฌานก็เกิดได้นะ หนูก็ต้องไปฝึกต่อเรื่อยๆอย่าง<ช>ถูกแล้วขอส่งการบ้านอีกข้อค่ะคือหนูตั้งใจอยากจะรักษาศีลห้าแต่ในตัวหนูมีอยู่สองใจใจหนึ่งอยากรักษาแต่อีกใจหนึ่งอยากผิดศีลให้หนูรู้ทันคนเราจะมีศีลหรือจะไม่มีศีลเนี่ยอยู่ที่ว่ากิเลสครอบงาใจได้ไหมถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสครอบใจไม่ได้ไม่ต้องคิดเรื่องศีลหรอกศีลมาเอง ยิ่งอยากรักษาศีลมากยิ่งเครียดนะศีลตกง่ายให้รู้ทันกิเลสเาัาขอบคุณค่ะหันธรรมสการ์ค่ะหลวงพ่อจะส่งกันบ้านก็คื อ, เ, อเคยเคยเห็นว่าความปวดนะคะอยู่ที่แขนแล้วมันก็ เ, เป็นก้อนอแล้วมันก็มีอยู่แล้วมันก็หายไป แต่ว่ามันเห็นครั้งเดียวคงเป็นเพราะว่าอยากเห็นมันอีกใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าที่คิดว่าเป็นปัญหาคือว่าหนูไม่เห็นจิตนะคะคืออย่างถ้าเอามือบอกไปมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกว่ามือมันเป็นอะไรบางอย่างหรือเวลาที่เราหยิบจับอะไรหรือว่าเท้ามันเป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นก็พอละแต่เราไม่เห็นจิตนะคะไม่จําเป็นหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องมาดูจิตเหมือนกันหรอก ถ้าเราถนัดดูกายเห็นไหมว่ากายเป็นอะไรบางอย่างคําว่าเป็นอะไรบางอย่างสังเกตไหมว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นคนที่ไปรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นของถูกรู้อันนั้นลกายกับจิตก็แยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องไปจ้องว่าจิตอยู่ตรงไหนน ะ, คะแค่รู้สึกว่ากายมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นแค่นั้นพอแล้วดูกายไปหนูเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขันมันแยกรู้สึกไหม มือมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ค่ะนั่นแหละขันมันแยกแล้วดีใจมันง่ายนะไม่ได้ยากอะไรหรอกที่หลวงพ่อบอกไงว่าคนธรรมดานั่นขันยังแยกเลยนี่เราชอบบางฟอร์มนัปฏิบัติอะไปทําจิตให้ผิดธรรมดาก่อนขันเล่ยรวมกันหมดเลยแล้วหาทางแยกใหญ่เลยะเนี่ย <c oughs> พอจะเริ่มปฏิบัติก็ เนี่ยขันมีกี่ตัวมารวมกันหมดแล้วทั้งนี้จริงมันแยกกันอยู่แล้วค่ะอีกอีกอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวันนั้นได้ฟังที่หลวงพ่อเทเสวันที่ทอดกรถิ่นนะคะแล้วว่าทําความรู้สึกที่ก้านสมองมีอยู่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะรู้สึกว่ามันมัวมันมืดแล้วก็ลองทําดูแล้วมันเหมือนกับมันมีก้อนอะไรที่มันผลักออกมาข้างหน้าแล้วเราก็สว่างขึ้นเลยใช่มันหลุดออกไป ไปฝึกไว้นะเพราะมันเนี่ยชอบแกล้งมันมันส่งพลังจิตมาแกล้งคนปฏิบัติมันครอบทําให้มืดมัวโมวหะครอบภาวนาไม่ได้บางทีว่าเราลาค่าโทษะมากระตุ้นก็มีนะเนี่ยเราดูเข้าไปการที่เราถอยออกมาเข้ามาดูก้านสมองนะจิตเราไม่ส่งไปข้างหน้าปกติจิตชอบไหลไปอยู่ข้างหน้าพอเรามาดูที่ก้านสมองนะจิตมันถอยเข้ามาเพราะมันถึงฐานมันพอดีนะ เกิดพลังของสมาธิขึ้นมามันจะไล่สิ่งที่แปลกปลอมนะั่นออกไปได้ขอขอโอกาสให้คุณแม่ได้ส่งกันบ้านด้วยคขอพระคุณค่ะที่ทนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่จิตออกนอกแล้วเนี่ยมันออกไปยาวมากเกินการก็มีสติกลับมาเดี๋ยวก็กลับไปอีกล่ะแล้วก็มันยาวนานเกินการเรื่องเดียวกันไอ้ตรงที่จิตไหลออกไปนานนะเรามีวิธีแก้วิธีช่วย ก็คือต้องมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยพอมันหนีไปที่อื่นนะทิ้งพุทโธไปแล้วก็ทิ้งมันกลับมาอยู่กับพุทโธอีกจะได้ไม่หลงยาวนะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เวลาหลงมันจะหลงนานนรรมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหนูขอโอกาสถามคําถามก่อนเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรแยกนะเจ้าค่ะเมื่อกี้ขันแยก <ม>ที่อยู่สบายสบายคือมันหมายถึงมันเบาๆอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะมันไม่ใช่เบามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยนะมันจะว่าหนักมันก็ไม่ได้หนักเะว่าเบาแบบเป็นสมาธิมันก็ไม่ได้เป็นเป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ เ, เวลาที่เราสบายสบายใจนะใจเป็นกุศล ส, สบายสบายอยู่นะขันเป็นแยกอยู่แล้ว ปัญหาของหนูตอนนี้คือว่าถ้าเกิดจะส่งกันบ้านแล้วมันต้องต้องเข้นออกมามแล้ว ร, รู้สึกเหนื่อยไหมในการเข้นมั น, เ, นเหนื่อยค่ะอันนั้นแสดงว่าติดนิ่งติดเฉยมากไปก็พามันคิดพามันทำงานบ้างไม่งั้นเวลา <Euros estad> ที่จะต้องคิดนี่ต้องฝืนมากเลยเพราะใจมันจะไม่ยอมคิดอะไรแต่เวลาทำสมาธิในบางครั้ง อย่างสมมติว่าถ้าเจอทุกข์มากๆจากที่ทำงานใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็กลับมาบ้านแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าควาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ในกระแสะเลื่อนอ ม, มันก็ทำให้เบาบางแล้วก็จิตค่อยๆรวมตัวลงเร็วขึ้นถูกก็แต่คราวนี้พอหลวงพ่อบอกว่าหนูก็รู้สึกว่าในบางอย่างมันอาจจะมีอะไรผิดผิดไปหลวงพ่อรบกวนชีน้แนะได้ไมเจ้าคะ่ะจะได้ไปปฏิบัติคือใจใ <น S 2> อเราไปค้างในความ ว่างๆสบายๆไปหรือเปล่าถ้าใจเราไปค้างไปติดนะว่างๆอยู่เวลาที่ต้องคิดนี่จะเหนื่อยมากเลยตอนนั่งสมาธิในบางครั้งรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันมันเหนื่อยมากเกินไปจากที่ร่างกายเจ็งมากด้วยหรือเปล่านะเจ้าคะ่ะมันทําให้ตอนหลังเนี่ยมันเหมือนแรงมันถอยเพราะว่ามันเจ็บปวดมากแล้วก็ เ, เ, เวลาเวลาเจ็บปวดมากมันมีทริคนิดหนึ่งน ะ, ะอย่าไปดูที่เจ็บปวดให้ดูที่จิตอย่างพอเจ็บปวดขึ้นมาจิตไม่สบายใจจิตกังวลเนี่ยดูที่จิตเลยนะถ้าเราดูอยู่ที่ตัวเจ็บเนี่ยถ้าความเจ็บมันแรงกำลังของสมาธิไม่พอนะใจมันจะระสํำระสัยขึ้นมางั้นถ้าเวลาเจ็บอะไรมากๆเนี่ยให้มาดูจิตจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะ จะค่อยตรรเทาความเจ็บปวดลงไปเจ้าค่ะเฉะั้นตอนนี้การบ้านของหนูที่ควรจะต้องเน้นให้มากขึ้นคืออะไรเจ้ารู้สึกตัวนะเจ้าค่ะรู้สึกตัวรู้สึกกายเนี่ยให้เยอะขึ้นรู้สึกกายบ่อยๆงัอนใจมันจะเบาไปใจมันจะไปอยู่กับว่างๆใจมันเดี๋ยวิ่งๆไปเรื่อยนะจะต้องมาคิดต้องมาอะไรไมันเหนื่อย ควรจะเปลี่ยนออกไปเดินจงกรมมากกว่านั่งไหมเจ้าคะช่วงนี้ให้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายะน ะ, ะไปทำอะไรก็ได้ไปกวาดวัดก็ได้ไปทำอะไรก็ได้นะค่ะค่ะขอพบพระคุณค่ะอ้าหมดแล้วไลเชิญกลับบ้าน